อะไรก็ตามสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ถูกเราทำเท่านั้นนะแต่มันยังสามารถจะส่งผลกระทำต่อเราได้หรือจะเรียกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันกลับมารุงแต่งตัวเรามันเป็นเช่นนี้เสมอนะเราไม่เคย เป็นฝ่ายทาฝ่ายเดียวแต่ยังถูกกระทาด้วยจะบวกหรือลบจะดีหรือร้ายจะกุศลหรืออ ก, กุศลก็แล้วแต่แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเรารู้ตัวง่ายๆเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยเราเป็นคนเลือกนะว่าจะกินอะไรจะกินอย่างไรจะกินเท่าไหร่ แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เรากินเนี่ยมันก็ส่งผลกลับมาที่ตัวเราเช่นอาจจะทำให้เรามีสุขภาพดีแข็งแรงหรืออาจจะทำให้เราเจ็บป่วยง่ายที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตอนที่แรกเนี่ยเราเป็นคนเลือกว่าจะสูบบุหรี่อะไร แต่ระสูบแล้วบุหรี่มันก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราเช่นส่งผลต่อปอดส่งผลต่อหัวใจเวลาเราถังทางเนี่ยนะไม่ว่าจะถังด้วยพระหรือว่าถาังด้วยรถเนี่ยหรือเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ คือแรกเนี่ยเราเป็นฝ่ายกำหนดนะว่าจะให้ทางมันตัดไปทางไหนจะตรงหรือว่าจะเลี้ยวจะโคง้งเราเป็นคนกำหนดทั้งนั้นแหละแต่พอทางนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมัน ก, ก็มากำหนดเราเรียกว่า ทางนี่มันก็จะเป็นตัวพาเราไปสู่จุดหมายใดก็แล้วแต่อย่างที่เราเรียกว่าเดินตามทางไปหรือว่าทางมันพาเราไปการที่ทางมันพาเราไ ป, าาาาไปคือทางมันกระทำต่อเราซึ่งเราใจที่นี่ จ, จะเป็นผู้ที่กำหนดเส้นทางว่า ใจทางมันไปไหนแต่สุดท้ายทางมันก็เป็นฝ่ายนำเราไปคนเราพอมองเห็นทางนะมันก็เลกที่จะไปทางที่สายใหญ่หรือว่าทางที่ไปสะดวกบางทีทางมันพาเราหลงก็มีเพราะว่ามันเป็นทางที่ไปง่ายนะ เราสร้างทางแล้วทางก็มากําหนดเรามาปรุงแต่งนะตัวเราเช่นีกับบ้านนะบ้านเนี่ยที่แรกเราออกแบบบ้านจะให้บ้านขนาดใหญ่แค่ไหนทาสีอะไรนะกว้างยาวแค่ไหนโปร่งโล่งหรือทึบแต่พอเราสร้างเสร็จนะมันก็มาส่งผลต่อ ตัวเราถ้าเราออกแบบดีอยู่ก็สบายโปร่งโลงถ้าเราออกแบบไม่ดีก็สึกอึดอัดคับแคบบางคนทาบ้านนะสีแดงก็ดูสวยดีนะแต่สีนั่นก็มาปรุงแต่งจิตใจของเราผู้อาศัย ต่างจากสีขาวนะซึ่งอยู่แล้วก็สบายใจกว่าบ้านที่หรือห้องที่ทาสีแดงไม่ว่าเราทำอะไรเนี่ยสิ่งที่เราทำนี่มันไม่เคยอยู่ลอยๆยมันไม่เคยเป็นสิ่งที่ถูกทำอย่างเดียวแต่ว่ามันก็เป็นฝ่ายประทามหรือปรุงแต่ง ตัวเราด้วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เป็นรูปธรรมเช่นอาหารบ้านเส้นทางถนนสิ่งที่เป็นนามธรรมก็เช่นความดีความชั่วเราทองความดีและความดีนั้นก็ปรุงแต่งชีวิตจิตใจของเรา ไอ้ทำให้เรามีความสุขมีความภาคภูมิใจหรือว่าได้รับคำยกย่องสรรเสริญในทางตรงข้ามนะถ้าเราทำความชั่วความชั่วเนี่ยมันไ ม, ไม่ใช่แค่ถูกเราปรุงถูกเราแต่งอย่างเดียวมันก็กลับมาปรุงแต่งเราด้วยทำให้เรามีความเดือดเนื้อร้อนใจ หรือถ้าว่าความชัวนะ่วนั้นมันเป็นการไปเบียดเบียนผู้อื่นเป็นลักเป็นการลักขโมยก็อาจจทำให้จิตใจของเราอยากกระด้างไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีตอนทำใหม่ๆก็อา จ, จะลังเลใจเพราะยังมีความรู้สึกว่าอะไรดีอะไรควรอะไรไม่ควรมันอาจจะยังมีการ ลังเลไม่มั่นใจหรือว่ามีความละอายบาปหิริหิริหรืออตัปปะความกลัวบาปแต่พอทำไปทำไปไอความจะยังช่องใจมันก็ค่อยๆเลือนหายไปบาปที่ทำถ้าทำเป็นอา จ, จินมันก็ปรุงแต่งทำให้จิตใจหยาบกระด้าง เห็นแก่ตัวมากขึ้นหรือว่าจิตใจโหดร้ายเห็นคนเป็นผักเป็นปลาถ้าว่าการกระทํานั้นมันคือการทําร้ายผู้คนที่แรกเราก็เป็นคนเลือกนะว่าจะทําหรือไม่ทําหรือว่าจะทําด้วยวิธีการใดแต่สุดท้ายสิ่ง น, นั้นมันก็กลับมาปรุงแต่งมีทธิพลต่อตัวเรา ความคิดก็เหมือนกันนะทีแรกเนี่ยเราเป็นคนปรุงแต่งความคิดความคิดมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะมันก็ต้องมีเจตนาแล้วก็มีการปรุงแต่งความคิดขึ้นมาจะคิดดีคิดไม่ดีก็แล้วแต่แต่พอคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ความคิดนั่นเองก็กลับมาส่งผลต่อเรา ถ้าคิดดีจิตใจก็เป็นกุศลถ้าคิดไม่ดีจิตใจก็รุมร้อนหมองหม่นหรือว่าเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะพอคิดบ่อยๆคิดซ้ำๆเนี่ยไอความคิดนั้นมันก็อาจจะกลายมาเป็นนายเราได้ทีแรกเราก็คิดลบคิดระแวงแต่พอคิดบ่อยๆคิดบ่อย ระแวงบ่อยๆระแวงบ่อยๆมันก็กลายเป็นคนที่นิสัยคิดลบคิดระแวงกลายมาเป็นนายเราก็มีทีแรกเราเป็นฝ่ายปรุงแต่งความคิดต่อไปความคิดก็มาปรุงแต่งตัวเราถึงขั้นมาเป็นนายเราเห็นอะไรก็คิดในทางลบในทางร้ายตลอดนะหรือสม่ำเสมออารมณ์ก็เหมือนกันนะอารมณ์ทีแรกเราก็เป็นฝ่ายปรุงแต่งอารมณ์ ปรุงแต่งยังไงปรุงแต่งโดยเริ่มจากความคิดก่อนอพอคิดถึงความดีของใครมันก็เกิดความรู้สึกอบอุ่นเกิดความรู้สึกขอบคุณหรือว่าพูดก็คือเกิดความสุขเกิดความพอใจแต่ถ้าคิดถึงการกระทําที่ไม่ดีของเขา นึกถึงการที่เขาเบียดเบียนรังเกียจหรือว่ารังแกรเรามันก็เกิดความขุนมัวเกิดความขัดเคืองเกิดความไม่พอใจแล้วก็อาจจะกลายเป็นความโกรธและอารมณ์พวกนี้ก็กลับมาส่งผลต่อตัวเราอีกทีทำให้จิตใจรุ่มร้อนนอนไม่หลับ นะหรือมีผลต่อสุขภาพกายนะความดันขึ้น ถ, ถ้าหากว่าทำเป็นอา จ, จินนะเช่นเดียวกัน น, ะนิสัยใจคอเนี่ยนิสัยคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอเกิดขึ้นมาแล้วเราจะมีนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้นะนิสัยของเราแต่ละคนเนี่ยเมื่อเกิดจากการ ปรุงแต่งของเราเองเราก็ค่อยปรุงแต่งนิสัยขึ้นมาเชิญนิชชิญนิชชิญนิชและพอมันก่อตัวขึ้นมาจนนะแข็งแรงกลายเป็นบุคลิกของเราทีนี้มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วมันก็กลายมาปรุงแต่งเราอีกทีนะ กลามาเป็นนายเราอเช่นคนที่นิสัยจู้จี้ขี้บ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาจะเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นนะนิสัยนี่มันก่อตัวมาเชิญนิดเชิญนิดด้วยเหตุปัจจัยหลายประการอาจจะเป็นการหล่อล้อม เลี้ยงดูของครอบครัวหรือว่าบรรยากาศรอบตัวสิ่งที่เรียนรู้นะผ่านประสบการณ์ตรงบางประสบการณ์ที่คนอื่นแบ่งปันมาเล่าให้ฟังบ้างนะแล้วพอมันลงรากนะปักฐานในจิตใจเรา ตันนี้มันก็กลายเป็นนายเราเลยปรุงแต่งเราไปไหนก็บนเจอใครก็จู้จี้เดียเพราะคนที่เขาเนมีอายุน้อยกว่ามีฐานะต่ำกว่าก็ไปยุ่มย่ามไปบนไปควบคุมไป ทำอะไรให้ข้อํำคาญแล้วคนเหนานี้พ อ, อยุ่มากขึ้นมากขึ้นนะก็เลยว่าห้ามใจไม่ไม่ได้แล้วจะบ่นอยู่เรื่อยนะไปที่ไหนก็บน่นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยคนช่างโกรธก็เหมือนกันนะคนที่มีนิสัยขี้โกรธเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่า เกิดขึ้นมาเราจะกลายเป็นคนขี้โกรธนะแต่ว่ามันเป็นมันเกิดจากการปรุงแต่งนะสะสมนิสัยนี้ขึ้นมาทีละน้อยทีละ น, น้อยจกนกระทั่งมันมนก่อรูปกรร่างฝังตัวนแน่นอะคราวนี้มันก็กลายเป็นนายเราละไปที่ไหนก็นะ แสงความหงุดหงิดไม่พอใจต่อว่าตำหนิบางทีอายุมากไปอยู่บ้านลูกคนไหนเขาก็รำคาญเพราะว่าเอาแต่บน่นเอาแต่โวยวาย อยู่บ้านลูกคนโตไม่ได้ เ, เขาไปอยู่บ้านลูกคนที่สองก็เหมือนเดิมไปอยู่บ้านลูกคนที่สามเขาก็รําคาญจงกระทั่งแม้ไปอยู่บ้านพักคนชราก็ไม่มีใครอยากจะสูงสิงด้วยแล้วมันมีคนแบบนี้เยอะเลยนะหรือ ว, ว่าไปที่ไหนนี่คนก็รา โดยพอเมื่ อ, อยู่มากและเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวนะแล้วก็ถึงจะรู้บ้างแต่ก็หักห้ามใจไม่ได้นะบางคนเวลาป่วยนะก็อดแสดงนะโทสะใส่ใครต่อใคร ไม่ได้นะจะเป็นหมอจะเป็นพยาบาลทั้งที่ตัวเองก็ไม่ค่อยมีเริ่มมีแรงยิ่งพออายุมากก็ดีหรือพอเจ็บป่วยก็ดีไอ้สิ่งที่จะช่วยยับยั้งชั่งใจไม่ให้ทำตามอารมณ์มันก็ออดลงไปเรื่อยๆ ก็ยิ่งถูกอารมณ์นั้นนะครอบงกำกากัดชีวิตจิตใจของตัวอันนี้เคยเพราะว่าทำไมคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาเขายังยังเปลี่ยนแปลงตัวไม่ได้จังที่ไปที่ไหนก็ไม่มีใครต้อนรับไปที่ไหนคนก็ระอาเพราะว่า มันคุมตัวเองไม่ได้แล้ว น, นี่ก็เช่นเดียวกันนะความหลงอ่ะความหลงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนเราจะเกิดมาเพราะวาความหลงชนิดที่แล้วว่าครอบงำจิตใจคนเราก็มีความหลงอยู่บ้างเช่นเดียวกับความรู้เนื้อรู้ตัว แต่ถ้าหากว่าปล่อยใจไปตามอารมณ์ปล่อยใจไปตามความคิดนะไม่รู้จักทักท้วงไอ้ความคิดและอารมณ์นีมันก็เข้ามาครอบงาจนไม่รู้เนือรู้ตัวตอนนี้แหละความหลงก็จะรุนแรงมากขึ้นแล้วพอหลงแล้วเนะ ไอ้ความทุกข์มันก็ตามมารากเงาของความทุกข์เนี่ยแท้จริงแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรก็คือความหลงถึงแร้ก็หลงคิดก่อนหลงเข้าไปในความคิดคิดเรียร่าคิดสเปสะปะสปาร์เส็แล้วก็ไปไปขล้องแวะติดขัดกับความคิดที่มันทำให้เป็นทุกข์ เข่นไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดนะไปคิดถึงความผิดพลาด ท, ที่ผ่านมาแล้วแ้าพอพอคิดเรื่องแบบนี้มันก็เกิดความโกรธบ้างเกิดความเสียใจบ้างเรียกว่าเกิดอารมณ์ตามมาแล้วก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นเรียกว่าหลงเข้าไปในอารมณ์อันนี้ก็เรียกว่าเกิดทุกข์ขึ้นมาเลย ถ้าเราลองสังเกต ด, ดูความทุกข์ใจเนี่ยนะมันเกิดเพราะความคิดทั้งนั้นแหละความคิดที่มันถูกปรุงแต่งด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็กลับมาปรุงแต่งเราอีกทีหนึ่งคือทําให้เป็นทุกข์ทำให้จมอยู่ในอารมณ์ แล้วคนเราพอทุกแล้วนะมันก็ยิ่งหลงมันหนักขึ้นคนที่โกรธเนี่ยมันก็จะคิดแต่เรื่องราวที่ทำให้โกรธมากขึ้นมันก็ จ, จ่อจงที่จะคิดถึงความไม่ดีของคนนั้นคนนี้และมันไม่ใช่แค่คิดถึงคนนั้นคนเดียวบางทีก็ขุดคุยความไม่ดีของเพื่อนเขาของพ่อแม่เขา ของวงศาคนาญาติของเขาขุดคุยขึ้นมาอะไรที่เป็นตัวขุดคุยก็คือความคิดยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นยิ่งแค้นก็ยิ่งคิดเหมือนกับคนที่เศร้านะเศร้าเพราะชอบคิดถึงเรื่องความทุกข์ในอดีตไม่ได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่หรือจากญาติมิด เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเพราะความน้อยเนื้อต่ำใจมันก็ยิ่งไปขุดคุ้ยเรื่องที่ทำให้สมเพศเวทนาตัวเองทำให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีแนวโน้มที่จะคิดไปอย่างนั้นอยู่แล้ว ก็เลยรู้สึกตัวอย่างไรคุณค่ารู้สึกว่าตัวอย่างนี้เป็นคนที่อับพับอับโชคนะไอ้เรื่องดีๆประสบการณ์ดีๆที่มีที่ได้รับเช่นความเอื้อเฟื้อ ก, อกลู่นความประปรนของคนรอบข้างก็มีอยู่ก็ได้รับอยู่แต่เลือกที่จะไม่มองนะมันจะเลือกที่จะมองแต่ไอ้เรื่องที่ไม่ดีการกระทาที่ไม่ดีความไม่มีน้ำใจของคนนั้นคนนี้ มันก็ยิ่งทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นถ้ามันเชื่อมโยงกันมากนะหลงกับทุกข์เนี่ยเป็นพ่อหลงจึงทุกข์และเป็นพ่อทุกข์จึงหลงแต่ถ้ า, าว่าเรานะพยายามที่จะกลับมารู้สึกตัวเวลามันเผลอคิดก็ไม่ไปล่อยให้มันคิดไป พุทธะพือนะแต่กลับมารู้ทันความคิดบังแล้วถ้าเราฝึกให้มันมารู้ทันความคิดหรือกลับมารู้สึกตัวที่แรกอาจจะทําได้กระปริดกระปลอยแต่พอพยายามทำบ่อยๆทํำบ่อยๆด้วยการมาฝึกเจริญสติมาสร้างความรู้สึกตัวมันก็ช่วยทําให้ หลุดจากวงจรของความทุกข์ได้หรือทําให้วงจรความทุกข์มันเบาบางวงจรที่ว่าคือนะหลงจึงทุกข์และทุกข์จึงหลงนะหรือว่าหลงจึงคิดคิดจึงทุกข์นะทุกข์จึงหลงหลงจึงคิดคิดจึงทุกข์นะอันนี้เป็นวงจรที่เราทําเป็นดีไซน์จนกระทั่งมันแข็งแรง แต่ว่าเราสามารถสร้างนิสัยใหม่ได้นิสัยที่มีสติรู้ทันความคิดทักท้วงความคิดหรือว่ารู้ทันอารมณ์ไม่ปล่อยใจหลงไปตามอารมณ์หรือไม่ทำอะไรไปตามอารมณ์ใหม่ๆมันก็ทำได้ไปเดี๋ยวประเดาวนะแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆ นิสัยใหม่ก็เกิดขึ้นนิสัยเดิมคือนิสัยที่พาใจจมอยู่ในทุกข์แต่นิสัยใหม่เราก็สามารถสร้างคืนนั้นนิสัยที่จะพาใจเราออกจากทุกข์ไม่ซ้ำเติมตัวเองด้วยความทุกข์ซึ่งก็ต้องใช้ความอดทนนะเพราะว่าทำใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไหลไปสู่ความหลง แล้วพลัดไปสู่ความทุกข์ อ, อย่างคนที่มาเจริญสติทำงวารู้สึกตัวที่วัดเนี่ยนะใหม่ๆหลายคนก็จะบอกว่ามันมีแต่คิดฟุ้งปรุงแต่งตั้งใจจะรู้สึกตัวแต่เดี๋ยวมันก็เผลอคิดไปสะละเผลอหลงไปสะละทำไปชั่วโมงหนึ่งอาจจะรู้สึกตัวแค่ไม่กี่นาทีที่เหลือเ น, นีโดนความหลงมันเอาไปกินหมด อันนี้เพราะนิสยัยนะนิสัยที่มันหนักไปทางหลงหลวงพ่อำเขียนท่านใช้คาว่าความหลงมันมีน้ำหนักมันก็เลยดึงจิตไปในทางนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่ทอ้อเราทำยางฝึกไปเรื่อยให้มีสติให้มีความสึกตัวจากเดิมมีสติแค่สองสนาทีในหนึ่งชั่วโมงตอนหลังก็จะเริ่มเพมเริ่มมากขึ้นเป็น 4-5 ห้านาที 6-7 นาที แต่ก่อนคิดไปแล้ว7จเรื่องหรือ10เรื่องจะค่อยมารู้ว่าเผลอคิดไปแต่พอทำไปทาไปนะคิดไปห้า6เรื่องก็เริ่มรู้สึกตัวเริ่มรู้ทันความคิดหรือกลับมาอยู่กับปัจจุบันทำ ไ, ได้เพราะมันทำบ่อยๆทำบ่อยๆสร้างสติและสติที่เราสร้างนี่มันไม่มีวันสูญเปล่านะมันก็กลับมา ปรุงแต่งให้เรามีความสึกตัวมากขึ้นแต่เรื่องที่บอ่อนนมันก็ต้องใช้เวลาพระเช้ก็อดทนเมื่อกับสายน้ำเนี่ยสายน้าเดิมเนี่ยนะเราต้องการเปลี่ยนทิศทางของน้ำไม่ให้มันไหลไปทางเดิมเราก็ต้องขุดคลองใหม่หรือขุดทางน้ำใหม่ไอ้ตอนที่ขุดทางน้ำใหม่เนี่ย น้ำก็ยังไม่ไปทางใหม่มก็ยังไปทางเก่าเพราะทางน้ำใหม่เนี่ยมันยังแคบมันยังเล็กมันยังตื้นนะแต่พอเราขุดไปเรื่อยขุดไปเรื่อยขยายทางใหม่ให้มันกว้างให้มันลึกคราวนี้น้ำนี่มันก็จะเริ่มไปทางใหม่แล้วแล้วถ้าเราทำไม่หยุดทำไม่เลิกนะต่อไปน้ำมันก็จะไหลไปทางใหม่ทางเก่ามันก็จะ มีน้ำน้อยลงนิสัยก็เหมือนกันนิสัยใหม่เนี่ยนิสัยที่ขยันรู้สึกตัวขยันมีสติเนี่ยมันต้องใช้เวลานะกว่าที่มันจะมาทดแทนนิสัยเก่านิสัยเรียกว่านิสัยชอบหลงนิสัยชอบจมอยู่ในความทุกข์เนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะมาสร้างนิสัยใหม่ทดแทนนิสัยเก่าได้ง่ายงเพราะว่านิสัยเก่านี่มันเหมือนกับน้ําที่ไหลในทางที่มันกว้างและลึกมานานแล้วจะสร้างทางน้ําสายใหม่ที่จะพาน้ําไปสู่ทางใหม่ไม่ไหลไปสู่ทางเก่านี่มันต้องใช้เวลาแต่ว่า ถ้าข ย, านขยานันทะาขยันนะขยันฝึกนะมันก็จะได้ผลที่คุ้มค่าเพราะมันจะมันจะรู้สึกตัวมากขึ้นเรื่อยๆมีความรู้สึกตัวมากขึ้นมีความหลงน้อยลงและต่อไปก็จะเกิดกำลังใจนะเกิดความมั่นใจนะในการที่จะฝึกสติให้มากขึ้นเราต้องทำแบบนี้แหละคือทำ บ, บ่อยๆทาซ้าๆจากเดิมเนี่ยหลง แล้วก็เลยทุกต่อไปมันเปลี่ยนเป็นสุขมันพอรู้สึกตัวนะความทุกเนี่ยมันเกิดเพราะหลงแต่ถ้ า, ากว่าความหลงน้อยลงมีความรู้สึกตัวมากขึ้นนะความสุขมันก็จะมาแทนที่ให้ความรู้สึกตัวมาแทานความหลงเมื่อไหร่นะความสุขมันก็จะมาแทานความทุกมันเป็นสุขแบบเรียบเรียบนะแต่ว่า ปอดโปรงทำให้ใจเป็นอิสระไม่เหมือนสุขจากความสนุกสนานจากการเสพถ้าเราสำบัยความสุขเพราะรู้สึกตัวมากขึ้นเนี่ยันก็จะเกิดเรียวแรงเกิดกำลังใจเราก็จะพบว่าโอ้สติเนี่ยทีแรกเราเป็นฝ่ายรักษาเป็นฝ่ายสร้างสติแต่ทําไปทําไปสติจะมารักษาเรา สิ่งที่เราทำเนี่ยคือการเจริญสติเนี่ยสติมันไม่ได้เกิดจากเราอย่างเดียวหรือไม่ได้เกิดจากการกระทำของเราอย่างเดียวมันกลับมาปรุงแต่งนะทำให้ใจเราปล่อยโ ป, ปร่งผ่องใสแล้วคลายทุกข์ได้ด้วย